274้ผลมิจฉาชีพ5้าของพุทธนั้นสูงสุดวิเศษลึกล้ำแท้การเริ่มต้นปฏิบัติกับมิจฉาข้อที่สคือการถือศีลเพื่อปฏิบัติให้ได้ผลที่เหมาะกับตนในมิตกตาแล้วปฏิบัติให้มีผล ผลมิจฉาชีพหรือเป็นสั ม, มาชีพไปตามลำดับขั้นตอนพุทธเจริญอย่างนี้ต้องหยุดกิริยาอาการที่ทำอาชีพนั้นให้ได้ทั้งภายนอกเข้าไปถึงภายในให้ได้ถ้าไม่ได้ในจิตของผู้นั้นก็เกิดไอโซโทปปฏิกิริยาลูกโซ่ ทางชีวะวิญญาณที่แตกตัวออกไปทั้งนิวเคลียร์ฟิชชั่นทั้งนิวเคลียร์ฟิวชั่นไปตลอดไม่หยุดหย่อนต้องละเลิกให้ได้จึงจะเจริญไปเป็นขั้นๆโดยหยุดข้อหนึ่งถึงสองก่อนอื่นให้เด็ดขาดแล้วตั้งต้นมีไตรสิกขาตั้งแต่ ปฏิบัติศีลห้าเป็นขั้นต้นที่สุดเพื่อให้เกิดสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสูปราคอนเซนเทรชันแล้วจึงจะขึ้นสู่สัมมาญาณสัมมาวิมุตต์ไปตามลำดับคือการเจริญเป็นอธิจิตจิตที่อยู่ในภาวะนิวตรอนอธิปัญญา จิตที่อยู่ในภาวะโปรโตอนซึ่งเป็นหน่วยของชีวะนิวเคลียสของชีววิทยาไปตามลำดับเป็นมหาสจารย์อย่างไม่เคยมีมาก่อนจากสัมมาอาชีวะข้อที่สก็จะบรรลุสู่ข้อที่4นิเปสิกตาคือต้องพ้นการมอบตนในทางผิด ข้อนี้ก็สำคัญมากนิปเปศิกตาหมายถึงผู้ที่พ้นมิจฉาชีพส่วนตนได้แล้วคือตนบริ ส, สุทธิ์สะอาดตนไม่ทำมิจฉาชีพส่วนตนได้แล้วเท่าที่ตนพ้น ม, มาได้ตามขั้นนั้น แต่ตนยังทํางานมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับผู้มิจฉายชีพที่เราผลมาได้แล้วอยู่เช่นบริษัทที่เราทํางานอยู่ด้วยนั้นๆไม่บริสุทธิ์ในสัมมาอาชีพที่เราผลได้แล้วแต่เรายังร่วมทํางานรับส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับเขา หรือย่างส่งเสริมเขาอยู่เป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องพ้นมิจฉาชีพแม้อย่างนี้ให้ได้ให้บริสุทธิ์ในมิจฉาชีพข้อที่4นี้จึงจะชื่อว่าบริสุทธิ์สูงขึ้นไปอีกในความเป็นผู้มีสัมมาอาชีพของพุทธตามลำดับลำดับ ผู้พลมิจฉาาชีพขั้นที่สเนมิตตกตาได้บริสุทธิ์ก็เป็นผู้มีการสแสวงหาอาชีพที่ไม่มอบตนในทางผิดซึ่งต้องทำอาชีพส่วนตัวนี้แนวทางหนึ่งจึงจะชื่อว่าพ้นการมอบตนในทางผิดหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปร่วมทำงานกับบริษัท หรือหมู่กลุ่มชุมชนที่เขาปฏิบัติธรรมกันจริงๆซึ่งอย่างตามบริษัทหรือชุมชนนั้นต้องมีพื้นฐานศีลห้าปฏิบัติเคร่งครัดกันจริงในสังคมนั้นเรียกว่าไม่คลุกคลีหรืออยู่ด้วยหมู่คนชั่วอสังคนิกะซึ่งต่างจากอาสังสศัก จึงจะเป็นการพ้นจากมิชฉาชีพข้อที่สนิเปสิกตานี้อีกแนวทางหนึ่ง